ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระของพระมหาชนกต่อไปสําหรับเรื่องที่แล้วที่มาข้างมาจวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาว ซึ่งเธอกําลังทํางานอยู่มีกําไรมือสองข้างได้ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริ๊กรี๊อีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบทกําไรมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอัน แต่ส่วนอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ดีกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกลียต้องมีการกระทบกระแท่งกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบ ก, กับใครดังนี้แหละเจ้าค่ะ เพื่อมหาให้นกได้สดับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พ น, นางศรีบริพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตัดว่าดูก่อนพนางเธอได้ยินเสียงคาเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิด คล้ายกับว่าเธอจะติเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแต่ก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะี่ยถ้าอยู่แต่ผู้เดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิง แล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้งเจ็ดร้อยคนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ึี่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยงนักโบทแท้พระองค์วยสทรงตรัสต่อไปว่วาต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามี เื่อวลานี้ฉันบสถแล้วคนที่บสถเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบสถที่มีเมียเนี่ไม่ใช่นักบสถเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นขรัวาัดเป็นผู้ครองเรือนสําหรับนักบสถไม่มีเรือนเจ้าครองนักบสถจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบสถคนใดยังมีลูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบสถ ในบริการนี้สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมซักสิทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่ดีกว่าเอาทรัพย์สินของชาว บ, บ้านที่มาถวายได้สักษาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตน ทำตนเหมือนกับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สุบเลือดสุบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว่ า, าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจเอามาห่อกายไว้ แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนะี่ยจะมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทโสันยังมีกิเลสที่มีความสําคัญผูกพันจิตใจอยู่ นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าโขมโมยตอนนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็เหมือนกันต่อจากนี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นเป็นพัญญาของเราไม่นตอนนี้น่าจะไม่สบายใจในลูกหลานนะความจริงท่านเป็นกระสัิย์ ท่านเป็นมเหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวา ส, สนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทําไมหนอพระมหาชนกนี่ซึ่งเสื่อมสมบัติเส้นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้พ่อะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นนักบวชแต่ว่าในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิตราชธรรมความจริงทศพิตราชธรรมนี่ยรำสิทธิ์แปลการสําหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สาหรับหลานจะไม่เอาของยกยาก แล้วของมากๆมาพูดกับลูกกับหลานจะเอาของง่ายๆที่กษัตริย์จะพึงทำมาพูดกับหลานคาว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่จะพึงทาตนให้วีความสุขสมมติว่าลูกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ลูกหลานทุกคนเนี่ยต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคํำว่าเหตุจะหมายความว่าไอ้ปัจจัยคำนันกับปัจจัยมันก็ฝังยากนะลูกนะ เนี่ยลูกหลานที่รักจะหาว่าน้องปู่นี่เอาต่อยคำได้ยากกมาเล่าสู่กันฟังคำว่าปัจจัยมันเป็นแปรวเครื่องอาศัยทนี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องแลวต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุที่มันจะทำให้เรามีความสุขแล้วเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข์ ความทุกข์นี่ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแล้มันไม่อยากหรอกถ้าต้องการความทุกข์มันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกริด่าเขาไม่เลือกหน้าคนใหญ่คนโตประเดี๋ยวเขาก็ดา่าเราบ้างเขาก็ชกหน้าเราบ้างแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเราอยาหาความสุขกันแบบไม่ง่ายแล้วก็ยิ้มให้ก็ไม่ว่ากับใคร ยกมือไหว้ทาใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกไมมเด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอถ้าเจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนแม่ก็ไม่อดตาย เป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่อยๆนะเราจะว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้เรื่อเวลาต่อไปเพราะสถานีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถานีก็ให้เวลาทุกวันบางสถานีาให้เจ็ดวันต่นงครั้งบางสถานีาให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอาว่าคราวหน้า ย่ามาพูดกันถึงว่าทำยังไงเราจรึงจะมีความสุขตลอดชาติและก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติรว่าทุกคนะชาตินี้และทั้งโลกก็ยังได้เราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกว่าคนทั้งโลกด้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขา เราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีเตกงามๆเราไม่ต้องมีเครื่องบรรดับแต่เทวะหลวงปู่ ม, มีคาถามหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้า รลวงปู่มีกระถาหมหาสเสน่ห์จะไปทั้งไหนกห็ตามนะลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกิน่นแต่ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้ต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันทั้งเรื่องของ้ามมหาเชนกก็ตอนนี้กล้จะจบกันทีลืมดูว่าเวลา ว, าว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ ดูไปดูมาปรากฏเรื่องเล่นนิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พููกันต่อไปนะเป็นอนุว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสย่างนั้นพนนางศิีวรีก็แหมพระบอกว่าพนนางศิีวรีบรมราชเทวี บรมราชาเทวีคำว่าบรมในคำว่าประเสริฐราชาพระราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นเป็นพระชายาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สัตดับคำว่าสัตดับที่เราฟังนลลั้นหลอกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สัดับพระราชด âm รัฐพระราชด âm รัฐก็คือคํำพูด <c oughs> ที่ตัดเอาไปอย่างนั้นจึงได้กราบทูลว่าข่าแต่พระทูลกรหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงสเด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกก็ดีในกรหม่อมฉัน เป็นสตรีซึ่งไม่คู่ควรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายเพ่อ น, นางทูลกราบทูลในความน้อยพระไทยน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่แต่คนหนึ่งเสดงในงความไม่เรียกว่าไม่มีเยื่อใยนี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดา ได้ว่าอีกองหนึ่งสําหรับพระมหาเจนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบกอต้องการจะตัด ก, กิเลสให้มันเป็นสมุเทเฉติมหาหนสมุเทเฉตินี่ครับเราขาดนะลูกรักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลสก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าห ม, มองอารมณ์ที่ไม่มีความสุข เป็นนั้นว่าเขาเกล่าวว่าเป็นลักษณะของสติทั่วๆไปและต่อมาขั้นบรรราชาคือพระมหาชนกทรงสเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถเจั้นความเศร้าโศกหรือความอะไรรักอยู่ได้แทนที่รักษาสัจจวาจาใจมันทนไหวนี่ลูกรักและหลานรัก ยิงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงประตูบ้านทนนายช่างสอนพนางศิวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็พนพนังศิวดีตามมาก็ทรงําริในพระทัยว่าเอ๊ะนางศิวลีนี่ตัดไม่ได้นะ องค์จะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะว่าเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็าไม่ทรงตำหนิแต่ด้วยว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนน่ะมันไม่ใช่สถานะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข์ แต่ถ้าว่าคนหนึ่งยังกิจใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลย่คิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้โลกหลานที่รักจําไม่ได้นะจ๊ะจํไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลว พราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีโยสี่ประเภทเพื่อหนึ่งอุคติตันโูคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันได้เพียงหัวข้อย่อยๆเธอเขาก็มีความเข้าใจ คนประเภทที่สองเนี่ยวิปติตนยิยูคนมีปัญญาไม่กันแต่ปัญญายังช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำข้อข้อย่อไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากมากที่แจ้งเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจ นี่เ่อคนประเภทที่สามในยะคนประเภทนี้จะสั่งสอนเขาดีมากไม่ได้ก็ยางลูกหลานเรีนอังกฤษจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมและมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสําหรับคนประเภทที่หนึ่งคืออุปติตันโยคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัย ทำปริยาแล้วเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกหรือบ้างแต่ว่าการเรียนเขาเสาเร็จคนประเภทที่สามเนยยะนี่ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้ คนประเภทที่สี่พระทประมะคนประเภทนี้แมวไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการ น, นี่คนในโลกในองค์สมเด็จพระบิตฑมานทรงตรัสว่ามีทั้งเสี้เหลา่าฉะนั้นลูกหลานถ้าอยาคบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจใสบายถ้าไปคบคนประเภทแรกและประเภทสอง อันนี้ลูกหลานทุกคนคงจะตามเขาคำว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทำไมเขาจึงเข้าใจง่ายทำไมเขาจึงในเรียนเก่งทำไมเขาจึงมีความประพฤติดีทำไมเขาจึงในเป็นที่รักขบันดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่ใช่เสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้เปความดี คนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทางนั้นคำว่าเล่าแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้ แต่ว่าการลอกแบบจึงลอกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้ามาเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้อยล่าออกมานะครูสุบุรีจงึงจะลอกแบบออกมาประเภทนี้สองสองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยว บ, บาแล้วไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการ สุนิชาวความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสูตรเท่านี้เราจำจำมาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อต้องปูเรียนเอาเสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนโซบุรีห้ามนักเรียนเล่นการพนันห้ามนักเรีย น, น, น, น, น, ยนใช้วาจาหยาบคาย ห้ามนักเรียนทะเลาะ ก, กันห้ามนักเรียนดื่มสุรามีไรตอนนั้นปรากฏว่า ค, ครูหลวงปูน่นี้ท่านก็เองท่านเองท่านไม่ทํำทุกอย่างสุรามีไรท่านก็ไม่ดืม่มเฮ้เล่าอ่ะเฮ้เล่าแล้วเบียร์ทรั้งหลายท่านไม่ดืม่มถ้าไม่ดื่มจริงๆริงบุหรี่ท่านก็ไม่สูบการพ น, นันท่านก็ไม่เล่น ท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคนและมีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรดีของเพื่อนเจนนั่นครูประเภทนี้ยินฉีว่าถือว่าเป็นพ่อพระหรือว่าพ่อพิมที่ดีแม่พิมที่ดีนี่ครูที่ดีก็เป็นอย่างนี้ถ้ามาเอินลูกหลานที่รัก จะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจจนยาบัญของครูให้ดียาศัก์แต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามดํรราตามหลักโสดให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้ก็มีความประพฤตชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลาย คนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนใครให้เขาชั่วในการที่ผู้ใหญ่ทําแบบไหนครูบาจารย์ทําแบบไหนลูกศิษย์ก็กคิดจะคิดว่าครูท่านทําแบบนั้นนเป็นความดีแต่บังเอิญไปโดนครูอัปรีที่ไม่มีเจนยาบันของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอเหล่าลูกหลานที่รัก จงอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเลวประเภทนั้นเรามาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระมหาชนกกว น, นาศิวลีเป็นอันว่าพระนางศิวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอน ไปล่นขึ้นลาวลูกศรแล้วนะหลาวแล้วก็เป็นหล่นที่ฐานไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ําข้าวทาลูกศรเมื่อน้ําข้าวทาลูกสอนแ้นว ก, ก็เล็งเล็งตัดลูกศร อ, อยู่ เขาเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรงอนะเล็งแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ลาวลาแล้วก็ดัดว่าเล็งแล้วก็ดัดลูกหลานคงจะแปลกใจนะว่าทําไมลูกศอนนีน่เขาทําได้วยไม้ไผ่นะจ๊ะเขาทําด้วยไม้ไผ่ลาวแท้ตรงกลมดีแล้ว แล้ก็เล็งดูเอาไห้ไม่คดคดก็ไปลนไฟพราะร้อนหน่อยๆไม่ให้ร้อนมากมากนี่ยเอาน้ําข้าวคือน้าคําว่าน้ําข้าวเนี่ยที่เขาหุงข้าแล้วก็เช็ดน้ําออกน้ําข้าวนี่มันมียางพอสมควรก็มาทารูปสอนทารูปสอนแล้วก็เล็งดูคดตรงไหนดัดตรงนั้นอย่างนี้มันสามารถจะทําให้ไม้เอ้นตรงได้ตามความประสงค์ ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้ม่ย่ำโค้งไม่ต่างโลกเมือนโลกเดิมเยืองนี้ถ้าหลูกหลานไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดช จ, จะหาว่าห<ม>นังสือเขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทํามาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทําหน้าไม้ชอบทํำธนเล่นนี่ก็ลองทําตามนี้มันก็มีผล ต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านพระมหาชนกที่ในทรงตัดถามในช่างสอนว่าดูก่อนในช่างสอนเพื่อไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูว่าตรงหรือไม่ตรงเขาหลับตาเสียข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศร ในข้างสอนนี่กราบทุณว่าค่าแต่สวรระถ้าเล็งด้ยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพราดไปมันจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะคดโนตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาแข้างหนึ่งแนละ้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็อตอนนี้คด เนื่อตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการอันนี้เป็นลักษณะของการจเจลิงของจใจ ล, ลูกหลานที่เห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้านตะ่เขาจะงเล็งในใช้ตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็จะหลับไปะสักข้างเหร้รไปสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไวเห็นชัด เราว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสำกำลังกล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทั้งเขาว่ากล่าวว่าข้าแต่สมณนะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันไว้าตาสองตาที่เล็ง มันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอ้ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแยง้งเส่งกันเลยกันถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ไอ้ความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งเส่งกันเละกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกัน ที่ตอนรักนะกิดว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตดูที่ว่าคู่วิวานะ่ะเวลาเขารักกันจริงๆก็ามีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานนะ่ะทะเลาะ ก, กันเท่าไหร่เพราะคนสองคนมันก็มีการขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกัน เหมือนกับในตาสองข้างถ้าไปเล็งรูศรมันก็ไม่มันก็จะไม่เห็นมารูศอนคตแน่นอนการยิงก็ไม่กันถลืมตาในสองข้างไม่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพระตามาทะเลาะ ก, กันทีตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ดีกันสองคนก็จะมีรต่การขัดแย้งกัน ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครถ้าแต่สวรรคถ้าท่านประสงค์จะไปจะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมาหาชินกได้ฟังถ้อยคำของนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดี แล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาหน้าเฉลิเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้ว น, นาวศีวลีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปได้วยกันหลายคนนั้นใสไม่ใช่วิสัยคำว่าสองสมณะที่ดีสชวนะคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รับลืมบอกไปนะ สมณะนี่แปลว่า ส, สองอย่างคือสมณะก็แกรดจิตสงบจากความชั่วทั้งหมดยังกับพระที่บทในที่บทนี่แหละเขาเรียกเขาว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้าพระในองค์ใด ย, ยังสร้างความชั่วยอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมย เรียกากรหนึ่งเรียกว่าสมนาป็แปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วคำว่าบาปใ่โลกหลานที่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะยะไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัยคำสั่งบิดามันดาขัยคำสั่งที่ดีของโคยังนี่มันเป็นความชั่วตามภาษาบ า, าลีเขาเรียกว่าบาปแต่พ ร, ร, ระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนํำให้บรนางศิวลีเข้าใจ แต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวนะ ล, ลูกหลานที่รักปรากฏว่าเวลาหมดเสีแล้วขอลากร อ, อาไวพบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีเดบรรดาแทนพุทธศาสตร์นิจกชนกันและลูกหลานที่รักสวัสดี